ไอเดียในการนำเสนอพระไตรปิฎกในรูปย่อให้น่าสนใจด้วยการตอบคำถามที่ชาวบ้านอยากรู้ให้คนยุคใหม่เปิดใจรับสุดยอดแห่งสาระสำคัญในการเกิดมาเป็นมนุษย์กันง่ายขึ้นความสาเร็จของเสดายคนตายไม่ได้อา่านไม่ได้อยู่ที่ยอดขายหลายแสนเล่มภายในเวลาอันสัน้นแต่อยู่ที่การเป็นหนึ่งในงานบุกเบิกธรรมเชิงรุก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 ในราคาเหมือนได้ปลาบุกสมัย